เขาแต่งแล้วคุใช่แต่เขาไม่ชอบทราคุณเขไม่ไปกับเราแน่วันนี้ครับเชิญให้ราบเรียนลุงพ่อครดอกบัวใช่ไหมครับพ่อครับดอกบัวสีชมพูสงสัยท่านไม่ผม๋ย่าจะผมไม่ถามไม่กี้ผมถามอยากจะรู้เรื่องอยากจะรู้อะไรต่ออะไรเรื่องจิตใจแบบ แล่เราอยู่นอกพุทธศาสตร์ศาสนาเรือสายอะไยังไงยังยรมีจักรีถามครับใช่ครับคือว่ า, านี่ถ้ากดไป <c oughs> ได้ใครฟังไม่มีใครใช่ที่ท่านตอบให้ท่านฟังน่ยท่านตอบไม่เคยถูกดีเลยทุกแต่มันไม่เข้าใจถามว่าท่านได้ไปสอบแสดงหศา ส, สนาอื่นมียังท่านว่าไม่ได้ไปเราแค่ว่ามาีเพงศาสนาพุทธพอ คำที่ว่าพอและคนฟังเห็นว่าท่านศึกษาน้อยไปเนี่ยไม้ทอนเนี่ยเห็นไหมส้นนึ่งมันอยู่ทางนี้ส้นหนึ่งทางนี้ท่านจับตรงกลางมันขึ้นตรงนี้ยองส้นมันกย็ยกขึ้นเองของมันศึกษาพุทธศ า, าสนาแนละนานมันหมดที่จะสงสัยแล้ก็ได้หยุดท่านทีเดียวท่านเนี่ไปศึกษาศ า, าสนาอื่นหรือเปล่าศาสนา่นมันอยู่ทางสองตรงนี้เป็นจุดกลางนะ ครั บ, ค, รบคือตรงนี้ท่านเห็นความว่าไม่มีที่จะเพิ่มเขันไปอีกแล้วไม่มีที่เจ้าออกอีกแล้วไอ้ความเข้าใจของท่านอย่างนั้ น, นท่านก็ตอบอย่างนี้แ ต, ต่เราขจบแทพุทธศาสน า, าแล้วไปแล้วกัน บ, บ้างเข็นอย่างนั้น <c oughs> อัตมาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะเรื่องคนรับซือพุทธศาสน า, า, า, าอย่างเมืองไทยเราเนี่ยอย่างโยมที่ว่าอัตมาก็ฟังได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าพุทธศาสน า, าจะผ ม, มเรื่องอันนี้ก็ฟังได้เหมือนกัน S <S <S ถึงจะจะมาบอกไปว่าจะเอาฝรั่งมาหัดฝึกคนไทยนะไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรนะโยมศึกษาแต่เรื่องทางโลกทั้หลายมันก็ได้ดีไปทั้งโลกรู้เรื่องของโลกไปเรื่องนี้แท้จริงนั่นไม่รู้จักแต่เราอยู่ในกลุ่มพุทธศาสนาเท่านั้นเองแต่เรื่องาศาสนาที่แท้จริงๆนั้นเราไม่เคยจะดูเรื่องมันเป็นแตอย่างนี้ ถ้าเพื่อผหลังก็ถามผมว่าศาสนาพุทธคืออะไรนี่ผมเนี่ยตอบว่าอะไรครับท่าน <c oughs> อันนี้ไอยโยมเี่ต้องไปศึกษา พ, พุทธศาสนาเองยังเอาความรู้ของคนอื่นไปตอบเลยมันไม่ถูกผมไม่ผมไม่ได้หมายความงั้นครับผมหมายความสมมติเขาถาม ม, มามแบบง่ายๆว่า What is What is ศาสนาคืออะไรเอออย่าผมถามท่านพุาสนคท่านเออท่านท่านพอจะได้ไอแตงโมมันไม่ได้มีนมีลต้องขอพุทธศาสนานี่ พู้ชาสาวแ่ไหคือความที่ถูกต้องเอาล้นะจริงที่ถูกต้องแล้วอืมมันเป็นความจริงใช่ไหมคะใช่ความจริงที่มันจริงด้วในจริงเลยที่มันที่มันถูกต้องเลยน่ะทุกวันนี้ถ้าเราทำถูกแล้วเราก็สบายกันทุกคนมันมันในสบายเพราะทำไ่ถูกทุกวันนี้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคำที่ว่าที่ถูกต้องมันสาคัญมากที่สุดอ่ะเออ อันนี้คุมหมดเลยขั้นตอนที่คุณได้ดแับแจ้งเลยอ ะ, อะไรแล้วครับอริยศาสตร์นะครับไม่ต้องไม่ต้องออกชื่อมันเนาะไอ้จริงที่มันที่ถูกต้องนะ่ะคือความเป็นจริงนั่นแหละมันพุทธศาสตร์นาละ่ะถ้าเราไปขึ้นความเป็นจริงแนละ้วมันจะไปถามอะไรอีกไหมถ้าบอกอ เ, เอาแกะมาอายกแกวมาแล้วเนะี่ยจะไปถามมันไม่หมดปัญหาแล้วเอานั่นอันนั่นก็เป็นขันนี่อันนี้เป็นแกยยกมาให้ดูแล้วคือความจริงแล้วมันก็หมดแค่นั้นนะีน่ไม่มีทางที่จะต้องไปแหละ เราจะยอมรับตั้งมต่ยอมรับทนะเรื่องต้องมันเป็นอย่างนั้นะว่าผมว่ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับมายอมรับว่าเราจะมีปัญญาถึงพอตลอดที่จะรับนานแล้ถ้ายอมรับก็ต้งมีปัญญาที่เรายอมรับปัญญาปัญญาเราก็มีมีคำที่ว่ารับไม่ใช่รับของคลอมไปรับอย่างแท้จริงที่อย่ารับได้รับเอาเี่ยอย่างฉันได้มากมากของใช้ไม่ได้มันก็มากกว่จริงอยู่แต่ว่ามันไม่ดีเนี่ยจะทายังไง มันเป็นปริมาณใะมันมีคุณภาพอย่างนี้อันนี้ท่านนายพูดถึงคือยกอันเดียวนี้มันคู่มหม ด, ดไอ้มันคู่มหมดอย่างนั้นนี่มีเรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นอัตมาเคยพูดให้ญาติโยมฟังดูสีรุคาระนั่นแหละลไปทั่วทิศปะ่ะอย่างเราออกมากันเนี่ยไปเรียนความรู้วิ ช, ชาไหมเรียกว่าศาสตร์มันหลายศาสตร์จะเกินทุกวันนี่นะมันยัดศาสตร์ลงไปจนจะนับไปไหวแล้วล่ะ แต่ว่าศาสตร์อะไรก็ตามเธอถ้าไม่มารวมพุทธศาสตร์เนี๋ยวุ่นวายพุทธศาสตร์นี่เรื่จากตอิจฉาเดียรพยาบาลกันทั้งหมดไปเรียบร้อยมีตากรุณาคนนี้ไม่มีทางที่จะไปแล้วไม่เห็นเจตัวเนี้นี่พุทธศาสตร์นี่ศาสตร์อื่นหรือมีความรู้ดีเหมือนกันถ้ามารวมพุทธศาสตรเนี่ยมันดีหมดทุกศาสตร์เลยถ้าแยกออกจากพุทธศาสตร์นั้นคือความจริงนี้แหละเป็นศาสตร์ทะเลาะกันทั้งนั้น นี่มันเป็นแค่อย่างนั้นอาตมาท่าบอกว่าไอศาสตร์คือพุทธศาสตร์เดียมันครอบแลครับหลองพ่อครับอยากไปยอ้อนกลับไปได้ถึงหลวงพี่นะฮะอ่าที่ค๊ร์สหลวงพี่ไปถึงเียปั๊บนะฮะแป๊บๆไล่เช้านแล้วเกิดขึ้ น, นต้นใจแสดงว่าลวงพี่ต้องต้องเอ่ออย่ง า, ายงไรกัเชื่อเอว่านะั้น ไปตะคุบ<ม><ม>เอาเลยว่างั้นเถอะนั่นเลยครับผมไม่ไปเชือเอ่อเรื่องอะไรถึงไปปั๊บใช่คือเรื่องนั่นท่านไปเรื่องใส่เฉยในเรื่องแค่จริงมันท่านมาคนค้อที่หลังนี่เห็นไมมีศรัทธาก่อนเออามีศรัทธาศรัทธาน่ะมันเชื่อไอ้ความเชื่อเฉยเฉยจนนั่นก็ได้มาทำอย่างนี้แต่มาคนข้ออีกการบวชปฏิบัติเกิดมามันรู้เรื่องจริงจริงขึ้นมาทีหลังทับ ก, ก็บไปอีกทีนึง่งโอ้แต่ตอนแรกอย่างตนแราใช่อย่างคนม้น่ะสีมันใสใสว่าชอบเลยนึกว่ามันจะหวานมันเท เน่แต่เขาเรือกใจมันขั้งแรกแว่ทิ้งมันนี่นผล<า>ไม้ตัวนี้เป็นเหตุที่เราทานกันไปในคนคว้าผลอื่นต่อไปอมันได้ได้ความจริงอย่างนั้นอืมใช่นี่เดียก ว, ว่าขั้งแรกเนี่ยเชื่อโดยศรัทธาอธิโมกไม่มีปัญญานี่ก็ได้แต่มาเมื่อท่านราาเรีศึกษาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีทางจีกเรียงแล้วจําเำติดจะยอมกยอมรับเพราะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองเนี่ยศรัทธามันสองอย่างเนี่ย ไปเห็นก็เชื่อเลยเห็นไหมอย่างนี้เอ่ต้องจับมาดูซะ ก, ก่อนเชื่อเลยอันนี้เป็นจริงมันมีสรัทธาเฉยๆม่มีปัญญา ย, ยังไม่รู้เรื่องตามความจริงมันอย่างผลใหม่นึกว่ามันจะหวานเอามาทานเนี่มันเปรีย้ยวอ้าวหายใจแล้วริงมันไปเอ่ต้องหาหาผลใหม่มาที่ไหนมันจะหวานให้มีปัญญาเกิดขึ้นมาซะ ก, ก่อนจึงเห็นความจริงของมันอย่างนั้นเป็นศรัทธาครั้งที่สองอท่านได้มานั่งภาวนาได้มานพิจารณาอะไร พี่คลคอกพิจานาดีแล้วมันไม่พ้นจากนี้ไปก็มีความเชื่อครั้งที่สองเป็นมาครับเอาไป ห, หมดนะนั่นๆผมจะพอจะเข้าใจแล้วแล้วนอกจากทุกที่ตรงนี้มีคนต่างชาติต่างประเทศอื่นที่เข้าไปบวชมีมากครับเยอะแยะไปที่บ้านโพงบาทหลวงบบออกมาบวชที่นี่นั่นนี่โอเคแล้วที่จะบวชเป็นพระ นะฮะอือแนพุทธแนพระพุนะะนอกจากประเทศไทยแล้วที่ไหนมีครับฮะนอกจากเมืองไทยแล้วคนบวชหรือคนที่จะมาบวชคนที่จะไปบวชได้ครับอบวชที่ไหนนอกจากเมืองไทยแล้วได้ใครจะมีสัทธาบวชก็บวชได้แต่บวชในเมืองไทยตรงนั้นใช่ครับนอกจากจะเป็นพุทที่เมืองไทยเป็นบวชเป็นพระที่เมืองไทยแล้วนะฮะะที่ประเทศอื่นมีที่ไหนบ้างครับยังยังที่นี่ก็ได้ต่อไปได้เป็นพู้จึงพูดถึงผู้ที่ไปบวชในเมืองไทย ถ้าฝึกไม่บทมุนยก็อ่านในบทอินเนออนดียหรือที่ลังการหรือไงก็สถานที่บวชสถานที่บวชพูดถึงสถานที่บวชเนะาะศาสนาเนี่ยมันอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นละแตเรามีศรัทธาวาบวชเนี่ยคำที่วาบวชเป็นยัไงนะอย่างเมนะือ ง, งไทยเรานะ่ยมันมีมันมีเทรวาสมีเทรสมาคมเป็นางพุทธศาสานาบวชะต้ ม, มนะีมานะกซีมาสร้างีมาสร้างซีมาขึ้นบวชได้ตรงนี้ไม่มีีมาจะบวชตรงไหนนี่ บวชในทะเลสาบก็ได้อ่าเพราะว่าคำถามผมไม่ได้ไม่ได้ถามมาแล้วเอาไม้ยังไงเอาไปที่เอ่นรียนจะเรียนหนังสือนะมีหลาหลายยดีๆอยู่สี่ห้าแห่งอ่านะอ่อคำามผาสมัยทมาเิกบวชทเมืองไทยมากกว่าไปเลิกบวชที่ลังกาเยอะมากกว่าเลิบวชที่พม่าอ่ออันนี้มันเรื่องไอ้เมืองไทยเราทำไมคนไทยถึงมากกว่าไอ้ัง เพรามันตั้งลกรากที่นั่นก่อนนะพุทธศาสนานี่ผมไม่ได้หมายถึงเปรียบเทียบสิเปรียบเทียบสิเปรียบเทียบสิหมายียบคนต่างประเทศที่ไปบวชที่เมืองไทยใช่ก็ามไม่รู้เขาระอันนั้นเขาไปมีศรัทธาที่เมืองไทยเขาก็บวชเมืองไทยแต่ดูเรื่องต้องเข้าไปได้ตรงนั้นเลยต้องมีคนที่จะได้เหรบมีที่เขาจึงบวชอ่ะทำไมจะไม่มีเขาจะไปเมืองไทยมากเขไปสืบกับพระมากเขาไปบวชตรงนั้นมากไอ้คนหนึ่งไปคนสองเพื่อนเพื่อนของคนคนึงมันมีกี่คนน่ะไอ้คนนั้นไปก็ไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมเหมือนคนหลายขึ้นนนนมาาอย่งั้ะ เหตุผลมันเป็นอย่างนั้นและอิ่ยานต้นรากเหง้าที่สั่งสอนอบรมในการปฏิบัติธรรมศาสนาคือทางพรสอุปัาย์กรรมฐานลูกสมาธิเมืองนาพจนการทั้งหลายที่ก็อยู่ที่น่นอยู่ที่มี่ใช่ใชเขาใจอะไรเขใจโยมถามว่าโยมถามว่าทำไมถึงไปวนเมือนไทยหลายคือเมืองไทยเราไม่รู้จักมันเป็นอะไรนะคือคนไปเที่ยวเมืองไทยจุดแรกก็คือมีพักโดยคนหนึ่ง ถาประหลังในงเมืองนอกมนนเมืองใดก็ช่างมันเถอะก็ไปบวชตรงนั้นก็ได้ความเห็นชาติขึ้นมานะที่สองก็ไปไอเพื่อนต้องคนคนนี้มันมีกี่รอยคนนะก็ไปเยี่ยมกันบอกกันไปก็ไปเรื่อยๆนี่เรื่อยไปอย่างวัดตะพงครั้งแรกมีองค์เดียวท่านต้องมีทองค์เดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้รับไม่ไหวเลยเอหลายแต่ไม่ไรหมดทุกคนน ะ, อะ เ, อเออเรื่องเรบางทีมันมีศรัทธามีความเห็น มากคนกเขาได้มากบงคนก็มาปวดภาษาภาษาสองคนภาษาเสร็แต่คงที่จะอยู่เลยก็มาเรียว่าเขาศึกษาดังคนเมืองไทยเราศึกษาพุทธศาสนานี้อย่างท่านว่าอะไรอย่างอ่ะจะมาใครว่าน่ะต้นไม้มันหลายร้อยปีมาแล้วนะลูกมันต่อไม่ค่อยมากไปขั้วเดือดจจริงที่มันตายเนี่ยมันพังลงให้เรากวดมันครับอย่างเมืองไทยเราเหมือนกันบวดเดี๋ยวนี้ 15วันเหตวันเท่านั้นแหะไม่รู้เรื่องอะไ ร, ร น, นานแหละว่าเป็นพิธีนั่นแหละวอดเป็นพิธีอันนี้เ้าไม่ใช่อย่างนั้นนี่นอัตมานี่ให้ให้ให้อยู่เนี่ยอย่างน้อยบวองอยู่ห้าพรรษาอยู่ด้วยที่จะวอดเป็นนาคอย่านี้เป็นต้นเน่ยนตันน้งศานหนึ่งหรือสองพรรษาประมาณให้นาน ก, กว่าคนเมืองไทยมันจึงเห็นชัดแต่ผมว่าถ้าเบอร์หลวงพ่อพูดว่าไ อ่าทุกคนบวชสี่ห้าวันนะอะสมมุติว่าทุกคนใทยทุกคนจะบวชสี่ห้าพรรษาเราไม่ลองทําอะไรเลยเออไปพระมันหมดถูกไหมครับมันวัดไม่ได้วัดไม่แล้วครับวัดไม่ได้อันนั้นสมมุติวันที่เป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็เป็นไปได้เจ็ดคนทุกคนสามเดือนเป็นไปไมได้ถ้าทุกคนบวชไปได้คนละสี่ห้าพรรษาหมดก็กล่บมาให้ กัวจะ ม, มีคนทางานในประเทศชาติใช่ไหมคะครับผมมอง่านันไม่มีคนทำากินโอยอย่าไปกลัวเรื่องอย่าไปกัวอย่าไปกันวนี่ไอ้ไสเดือนมันกลัวดินจะหมดกินมันขี้ก็ตงองปับอางนเราจะไปคิดอย่างนันที่มันคิดแบบนั้นน่ะแบบต้องประกาศไสเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสมมติมาตัดบทอไอฟอสรปิงิงมันเป็นเม็ดไม่ได้อย่างนั้น ยังอาจจะมาที่สั่งสอนในโยมเชื่ออาจมาไม่ต้องไม่กำบวชหรอกคนจะสุดๆก็จะยอมไปย้อนไปหาได้ทรายก็เอาเท่านั้นแต่เมื่อเหตุผลอาจจะมามีว่าถ้าบวชเจ็ดวันที่หาวันทุกคนจะเป็นไงมันจะดีไหมใครจะมาสอนจริยธรรมกั็นกาอีอย่างนี้มันคนในแง่ที่มันเป็นไปไม่ได้เก็บบวชเจ็ดวันที่หาวันทุกคนไม่ได้ต้องบวดตลอดตายก็มีห้าปีหกปีก็มี หกวันเจ็วันไงมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่าง น, น, น, น, านั้นความคิดเช่นนั้นเป็นเป็นความคิดของไตรเดือ น, นจำไว้มันเป็นอย่างนั้นที่ก่อนอาจมาครามมากรุงดอนเดินมเมืองนอก้งหนึ่งนถูกัเขานี่ไปสัมภาษณ์เจ้าหนี้ออกหนังเนี่ ย, ย, ช ย, ออนนยใช้หนังวนารยงสัมภาษณ์นะษได้ก็พอใจ ต่อนั้นมาก็มีคนฝากพระดังเข้ามาปวดเรือๆๆร่อยๆอตลอดมาแต่ความเปจริงคือเรียกว่าเขายาังไม่เคยเห็นการทําอย่างนี้ครับเขาก็อยากจะไปดูไปทำแต่ไปดูไปทำเนี่ยมันก็แปลกอย่างนี้ไม่ใช่ได้ว่าทุกคนนะไม่ใช่ได้หมดทุกคนไม่ใช่ได้หมดทุกค น, ม, ม, น, กคนมันเป็นไปยนะ อ, าานนอย่างนั้นเรื่องศาสนานี่ยงั้นจีผมผมไม่ความสนใจนะแต่ ผมว่าสทาผมอาจจะไม่แรงเหมือนเออได้นวันในนั้นสสตาอย่ามาไหวในนี่เลยสตาบผมมีนะใช่แล้วผมพยายามใช้ชีวิตที่ว่าในทางที่ถูกนะฮะืออาจจะผิดบาหน่อยนะครับไม่เป็นไรถ้ามันผิดถูกสลับกันไปแหละมันมีหวานอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกเปรี้ยวอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกมีเปรี้ยวมีหวานสลับกันไปสบใูเหมือนเหมือนหลวงพ่อ เรืองไี่นี่ผมว่าผมคง อ, อาจจะยังมีปัญญาไม่แขงครับใช่ก็อยู่คนที่ใครจะเฝ้าบ้านน่ไปหมดลนะแล้วก็อยู่เฝ้าบ้านทุกคนนี่จะไปหมดกันดิใช่ครับผมเฝ้บ้า น, นเอ่า น, นันนีแหล <laughs> นะเจ้ากวาด บ, บ้านในดีนะทำบ้านในสะอาดนะอย่าอยู่เฉยๆนะเฝ้าบ้านนะ <laughs> <laughs> เออใช่ธรนะรมศาสตร์เลธรรมศาสตร์นเรื่อขึ้นมากนะคะเขาีวันนี้เนะีตั้งใจมาแล้วเนี่ยไม่มีเวลานานเนี่ยจะแก้ความสงสัยลูกหลานเราเนี่ยนะไอปรึกษากันไม่ใช่ว่าสนทนาเรื่องใดนะเรื่องพุทธศาสนานี่ก็เรื่องไอพวกเรามันอยู่กันนานแต่ว่าไม่พูดถึงโยมผู้ปจิวัติศาสนานเนี่ยมันตายเลยที่จะไม่เห็นอะไรเลยเฉพาะไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงอืมฉะนั้นอาตมาก็จะรายงานให้ญาติโยมทราบซะหน่อยหนึ่ง อาดามานี่ไม่เรียนอะไรครับเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่องจิตใจบวชพระมาแล้วก็อยู่ไปไม่กี่พัรษาก็ออกป่าริย์ตั้งแต่คราวตัณฑอาจารย์มั่นกกยงังอยู่ะขนาดถึงถึงเนี่ยศึกษาพุทธศาสตร์คะเขาเป็นอายุกเก่ากว่าเป็นเด็กมาอยุ่งนะั้นไม่รู้เข้าไปอะไรกันก็ไปเขอยู่กนะันน่ะตอนอายุเข้าวสารใช่เขาไปอยู่ก็ะเทศเด่นรับพระเจะ้าพระสงฆ์ทุกทีเลยใช่ใช่ใช่มันมีศรัทธาอย่างว่านศะรัทธาอย่างโยมวาน ชาชาอยากขับไปอยู่วัดแต่ไม่รู้อยู่พอไม่รู้ว่าอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นี่นี่ไม่ต้องสงสัยมันแล้วที่นี่คนเราถ้าเราไปศึกษาอยู่นะอย่างเช่นเราเนี่ยนะเราให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันก็โตทุกวันเลยจนถึงที่มันถึงวันเกิดวมาทั้งแรกไม่โตถึงนี่เราต้องให้อาหารมันทุกวันมันถึงโตมาบัดนี้เราก็ไปเสพสังสมในที่อะไรมันก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเข้าใจขึ้นมามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเปลี่ยน นี่ยังเด็กๆ เ, เราเกิดมาชอบเล่นอย่างนึงโตมาขนาดนี้อยากเล่นอยา่อยางเด็กมันเล่นไหมนะไม่อยากเล่นอยา่างเด็กมันเล่นมัน ม, ม, มีประโยชน์แต่เราจะพูดให้เด็กฟังเมื่จก้ท่ามันมีประโยชน์ได้ไแมมันเปลี่ยนเราเลยนะเห <laughs> ็นไหมจะนทําไมเราก็เป็นเด็กก็ชอบอย่างนั้นทําไม่มันเปลี่ยนนะบราระนี่ทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้น <S <S <c oughs> นี่มันเป็ี่ยนหนี้คือธรรมชาติมัน เ, เรียนในเศษสมารณ์เรียมันเป็นมาอย่างนี้ อือการเรียนกับธรรมชาติของมอนครับแต่อามารยโโอกาสให้โอกาสถามนะาโยมเรานี่อือไม่ได้เอาอะไรม า, มาพูดฟังเอาวามจริงนะ่พูดเลยฟังครั บ, รบผมผมมีปัญหาถามสามามี<อ>เดียวมันจะหมดเวลาต้งไปรันั่งกรรมฐานนะฮะออ่อยากนั่งกรรมฐานแบบพีอ่านั่งไหนกันผมคิดว่าพวกเราหลายคนที่อยากอยากจะนั่งเหมือนกันใช่ใอ่าแล้ว ผมอยากให้ท่านพูดถึงผลประโยชน์แล้วก็ทั้งในทางร่างกายและจิตใจของการได้ได้ได้รังทำได้ยังวิธีทำได้วิธีทำก็ได้ทายองจะทำได้ไม่ยากเราจะมีใครขอให้ได้ทั้งนั้นกลัวจะมีคนเอาเท่านั้นแหะจะไม่มีคนเอาท่านท่านทำไมท่านไปคิดงั้นครับผมจะยอมรับคนใช่พอพูดถึงคนฟังนี่จะทำยังไง เรื่องนี้เรื่องเรื่องพระเนี่ยนะไม่ใช่มีอะไรโดยตรงเป็นอย่างอื่นนะเรื่องจะสั่งสอนตัวเจ้าของนะสั่งสอนประชาชนทางไหนที่อุปการะพมาถึวันนี้ไมีเรื่องอื่นจะพาไยอะไรไปที่ไหนไม่มีนะเอาเฉพาะความเป็นอยู่ในประสงค์ครอบตัวสงฆ์คนอื่นเท่านั้นเรื่องพุทธศาสนานี่นะเรื่องศีลนะเรื่องศีลบทของมันนะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา คราวนี้สารูปง่ายเรื่องศิล น, นั่นเรื่องทำเราทางดายเป็นต้นไม่ให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งหมดนะหมายความไปอย่างนั้นอย่าไปว่าทําไมมันไม่ทำไมมันวุ่นวายอย่าไปว่าเงนินนะอ่ข้อที่สองความไม่วุ่นวายเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นในความสงบเกิดขึ้นมาคือสมาธิ เมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วได้ดื่มวามสมาธิด้านความสะอาดมันจะมีปัญญากเกิดครอบเลยทีนี่มาพูดถึงการกระทำที่นี่มันกระทํายากได้หน่อย น, นะอืมอื ม, อมยากหน่อยแต่ว่ายากก็ไม่เป็นอะไรหรอกยากมันถูกของดีมันมันต้ อ, อ, อ, องยากห่อนมันจพีงเป็นทุกข์ถ้าคนไม่ทุกข์มันไม่รื้ตาระ ถ้ามันมีสุขมันดับสนิทตรงนั้นเนี่ยขีดเยียดไปเลยทุกข์ที่มันแพงเกินไปเราดูงให้มีความคิดมากใครขยายตัวขึ้นมากพวกเราเป็นความทุกข์มากนานแล้วเออนานมันมีความทุกข์มากนี่ทุกข์มันเกิดมาเพราะอะไรจะต้องรู้มันดีไม่ใช่ว่านั่งให้มันหมดทุกข์เฉยๆหมัดนี้ฉันหนักแล้วมันหนักเพราะอะไรเพราะยกแก้วนี้ขึ้นมามันถึ่งหนัก ถ้าปล่อยเฉยๆแก้วนี่มันไม่หนักไม่หักจะไม่ปลากปดเราเพราะเราไม่ไปสัมพันธ์กับมันมันก็ไม่หนักนี่เรื่องทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นเราทําไมมันถึงหนักพอเรายกแก้วขึ้นมาทําไมมันถึงทุกข์เราไปจับทุกข์มาไว้แต่เราไม่เข้าใจว่าทุกข์น ะ, ะว่าทุกข์นั่นจะเป็นของประเสริฐว่าทุกข์จะเป็นของดีูให้วางก็วางไม่ได้ให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ก็หนักเสียงเงิทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าแจ้งสอนให้รู้จักทุกข์ ที่ไปยึดขึ้นมาเนี่หมายความว่าไปหมายมั่นมันกจนเกินไปไปยกมันจนเกินไปไม่วางมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้านสอนอะไรก็อไม่ดีจับท่านยังสอนหมายาเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เ้าอันนี้ไม่ใช่ของเราเทียงท่านไม่หยุดเหมือนนะเทียงเกิดจะแบกเอาให้มันหนักอันนั้นไอ้นี้ทําไม่หนักก็ไม่สบายดิหนักตังริ่มตังโรนนี่อันนั้นมันหนักก็พยายามเป็นตะโกยเอานี่น่ะ คำที่ว่าท่านบอกวางเงียผมก็ไม่ทํามาห้า ก, กินอีกไม่ใช่อย่างนั้นอีกไม่ใช่ใทำมาหา ก, กินดีกแหละให้ขยันขึ้นในทางที่ชอบไม่ใช่ให้เกียดข้าให้ขยนันให้สะสมอันนี้แต่ว่าให้รูจ้จักวัตถุอันนี้วัตถุอันนี้ไม่ใช่อาหารนี่สําหรับใส่น้า ม, มาดื่มอย่าไปดืมทั้งแก้วนะถ้าดืมทั้งแก้วมันเป็นทุกข์เห็นไหมนี่นี่เปนไปใช่ของเราแต่เอาไอ้ชารักษาไว้ให้ดี อก็จะได้ใช่แต่ให้เข้าใจว่ไม่ใช่ของเราแล้วกาบมันไา้เมื่อถึงคราวมันแตกแล้วก็แตกไปอย่างนี้ให้ได้ใช่อันนี้อยู่ไหมใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ให้สัมพันธ์กันต้องให้สัมพันธ์ให้รู้จักอันนี้อยู่มันเป็นเรื่องจะพูดยากแต่ก็ที่มาสัมพันธ์ในเรื่องของเราในเป้มันเปหมายมันจึงเกิดทะเลาะว่าแย่งกันมาตเพราะสิ่งที่มาใจของเราแล้วเข้าใจว่าของเรานี้เอ้ยมันจึงทุกเกิดขึ้นมามันยึ่งเป็นของหนักอย่างนี้ แต่เราให้รู้จักอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปพิจรารณาถจะได้จะต้องไปวีใจต้องไปพิจารณาดูเหตุผลมันจริงจรงอย่างนั้นแต่จึงให้นั่งสมาธินั่งสมาธิเราไปนั่งไอ้คนศึกษาทางโลกมากมาย่ไม่นั่งหรอกไปนั่งดับตาจะเห็นหรืทางก็ยังไม่เห็นห <c oughs> ันว่าไปอย่างนั้นอีกซะแล้วเรามองดีมอง้เมืงไทยเราเห็นไม่สายตาเเรานั่งดับตาถึงมันเดินทางนี้ทางจิตเนี่ยเราเราไปเห็นขนาดนั้น ไปนั่งไปนั่งไม่เกิดประโยชน์อะไรงไง่อเห็นว่านั่งไเกิดประโยชน์ปนั่งพับเดียวคือไม่ดูจัเรื่องของมันไอ้ความเป็นจริงอง่ะตาของคนเราเนี่ยตาของคนเรานีนแยกเป็น2 อ, อย่างตาเนื้ออันหนึง่งตาปัญญาอันหนึง่งตาปัญญาเห็นถึงความจริงควรโศกไม่โศกควรดิ น, ดนไม่ดิ น, ดนพอเห็นต่างความจริงมัน เห็นมาแก้วใบนี้มันแตกแล้วเสียดายมันอย่างนี้นะอย่าเพิ่งดีผมฟังก็ก่มันแตกแม่มันแตกแล้วเสียใจเนี่ยเสียใจเพราะตานไยคุณยังไม่มีถ้าตาไนตาไนของคุณมีแก้วใบนี้มันจะดีอย่างนี้คุณจะเห็นมาแก้วใบนี้มันแตกเลยแล้วคุณจะต้องใช้แก้วแตกทุกเวลาทุกวันนี่ทั้งเจองผืนนี้ก็ใช่ทั้งเจองที่มันมันมันผูกล้วเสื้ออันนี้มันก็ผูกอยู่แล้วเห็นทัดแก้วอย่างนี้ แกใบนี้มันงแมมันดีอยู่นี่เห็นว่ามันแตกอยู่แล้วทำไมถึงเห็นว่ามันแตกอะไรก็เห็นที่มันไม่แตกงบอกมันแตกมันมีอยู่นี่อย่างนี้าหารว่าเรารู้อย่างนี้ทุกอย่างแก้ใบนี้เราใช้ไปโดยทางที่มีปัญญาใช้ไปมันจะแตกมือมันแตกวไป่มันเป็นอย่างนั like ้นเองมันนะทุกปัญหาไม่เกิดเพราะว่าเห็นมันเป็นอย hm. like ่างนั้นแล้วนี่ม่ถึงหนักไปคนนั้นอีกอย่างคณป่วยนะ คือมาดูตัวตวจริงๆอันนี้แบบนี้เสียดายถ้าคนป่วยปุ๊บเข้ามาถ้าเขาโรงพยาบาลแล้วคนจริงหรือเปล่าโอ้หายๆแ่ก็ปคุณไม่หายๆพระในวิาอย่างนั้นาไม่เห็นทางเนี่ยแต่มหายก็เอาไม่หายแต่เห็นอย่างนี้เห็นทางที่ไม่ต้องปุ๊บถ้ามันหายก็ให้มันไม่หายไปถ้าหายก็หมันหายไปถ้าเราอยากให้มันหายอย่างเดียวถ้าเหตุที่มันไม่หายมีกร้องให้เท่านั้นนไห อเหตุมันยังเหลืออยู่อย่างนั้น่เชื่อมันยังมีอยู่นี่ธรรมะตัณฑ์สอนไปทางไหนโน้นท่นหมายถึงว่า <อะ S 2> ถ้าเบื่อถ้าเร า, เรา<อ>ะจะทําอะไรล้วเบื่อเราทำมาดีที่สุดแล้วมันเกิดแค่นี้ก็ให้พอใจแค่นั้นได้ไงครับก็ <อะ S 2> ม, มันสุดได้จะทําไงอ่อันนี้สรุปแล้วหมายความว่ามีการเกิดก็ต้องมีการตายมันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่เราทุกข์เดียวนี้น่ะ เพราะอะไรนะอย่างคุณสองคนนี hmm. like like like right mm ่เนาะเดินไปไปเห็นศาสตร์สองอย่างเปรียบเทียบนะธารมต้องเปรียบเทียบนะไอ้ตัวหนึ่งเป็นเป็ดตัวหนึ่งเป็นไก่นะคุณสองคนนี่จะเห็นนี่ไอ้เป็ดทําไมเน่เหมือนกับไก่มันน่าจะเหมือนกันไก่กับเป็ดเนี่ยคิดด้วยว่าจให้มันเหมือนกันอย่างนั้นยิงนอนไปคิดอย่างนั้นนอนไปเดินไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างให้ไก่เหมือนกับเป็ดคิดอย่างให้เป็ดเหมือนกับไก่ คุณจะทุกข์จนตลอดเวลานี่ถ้าคุณนี่เรื่องกับไปผู้เออเรื่องติดกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องไกลก็กมนันเป็นอย่างนั้นเมันมันเป็นอย่างงั้นแล้วปัญหาก็ไม่มีครับนะปัญหาหมันสมบูติอย่างนั้นไม่ได้ผูกไว้นี่คือเห็นตอกความเป็นจริงมันอย่างนั้นใช่ท่านครับไอ้ไอ้ข้อนี้ครับผมยังยังไม่ไเข้าใจเิยเดียวให้มันเข้าใจไม่อยตามเราพุทธนาว่าเห็นไปตาเข้าปเ็นนะอย่ามั่นใจนะในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ ให้เข้าใจใให้เขาจถูกดิยังงั้นไข้ก็ต้องกินยาไปก่อ น, นดิตีจะไปกินยาเลยอ่นา น, น, นี่เรื่องโรคมันกะเป็นอย่างนั้นมันไข้ก็ต้องกินยาไปก่อน้าคุณกินยามันหายทุกคนยังพึ่งเข้าใจขนาดนั้นบางคนหายบางคนไม่หายอย่างนี้นต้องเข้าใจไปแบบนี้อันนั้นมันเรื่องหลักของธรรมาาชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นอมไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นทีนี้ ไอ้ไอ้บ้านเมืองเราไอ้ทำไมมันไม่ไปประปรุงกันเงนี้ยเดี๋ยจะไปประปรุงมันทําไมเงี้ยเนี๋ยครับแล้วเมื่อเราเกิดมาอีกปีสิบปีเร า, าตายไปแล้วเรื่องอะไรเออตบอย่าคิดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราเข้าไปในพุทธศาสนาความคิดเช่นนี้ไม่มีคนขยันถึงแก่ขนาดไหนเป็นต้นไปยังกวดบ้านให้ดีทั้งนั้นเนี่ยเป็นเป็นนิสัยลูกเศรษฐีคนเสษฐีแล้วยังรักษาไในมั่นคงไม่เหมือนคนขี้เกียจ คนขี้เกียจคนทุกขี้เกีกยจอย่างนี้อคนที่เคยขยันมันเป็นต้นดานอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องขยันจนแก่ต้องระมัดระวังอยู่แบนี้เป็นเป็นต้นดานอย่างนั้นถ้าเรื่องพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราอย่างนั้นไม่ใช่ของเราอย่างนั้นน่ะไม่ต้องทาอะไรมันท่นี่ไม่ใช่เรื่องความคิดของพุทธศาสนานั่นก็คิดไป็นขณงี้หนึ<อ> <f> ่งอ๋อไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าให้ใหาให้มันมากก็ได้แต่อย่าเราจะให้มันทุกข์กับอันนี้ เห็นไหมให้มันทุกอยายนี่เป็นพาพาให้เราทุกจะให้เราใช้อันนี้อยู่แต่ยา้อันนี้พาเราทุกยาเป็นธาตุของสิ่งนี้เราหามันมาก็เป็นธาตุมันพอแรงแล้วมันจะแตกไปกับยังทุกกับมันอยู่อีกนี่จะเอาดีเมื่อไหร่ลราเราเออนี่เรื่องจิบนะเรื่องจิบนะให้คุณแย่บอกกันเรื่องจิตนะ ไอ้ที uh, ่ที there, so so oh ่ผมผมได้อ oh ่านบทความของผู้ช่างพิสูจน์นะก็อย่าให้นึกว่ายิดมั่นว่าอย่าแต่เป็นของกูอล้วท่านพูดแบบนะ้นเพากูของกูเล้วอย่ายึดมั่นในั่านนะท่านหมายความว่าไงครับท่านผู้ช่างิกูนนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ท่านอธิบายความใช่นี่คือกูนั่นมันไม่มีไม่ใช่่าจะของนี่ไม่ใช่ของเราตัวเรานี่มันก็ไม่มี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 อันนึ่มันเป็นภาษาคนอันหนึ่งมันเป็นเบื้องภาษาธรรมแต่ม <สา S 1> ันไม่เป็นตรงที่ภาษาความจริงเนี่ยจริงจริง้าเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นมันมันมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> อันนี้ต้องต้อ ง, อ, งอย่างน้อยท่านจะต้องไปนั่งดูให้จิตมันสงบท่านจะให้มีศีลมีสมาธิดีปัญญาถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยตนเองอย่างนี้เถียงกันไม่มีหยุดเเถียงกันไม่มีหยุดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ น, นมันมันมันมันไม่เห็นแน่คุณเฟตรงนั้นไอ้ความจริงตรงนั้นแหละมันเป็นความจริงกันแล้วแต่เราไม่เห็นความจริงมันมันก็ยกกันมาว่ า, าพูดกันไม่เข้ากันพูดอันเดียวกัในไม่เข้ากันใช่ผมว่านี่เป็นปาของโลกใชกค่คือคือคุณองจะเข้าใจแล้วครับเอืก <susp presidents S 1> <économ> ็เราต้องไปหาพยายามหาเงินมาซื้อแก้วเพื่อไว้ใช่แต่เราไม่ได้เป็นทาสของแก้วเพราะว่าเราเชื่อ แต่เมื่อรู้ว่าแก้วแตกแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ซื้อเราต้องไปหามาเพื่อใช้แต่ให้รู้ไปนีต่อไปให้รู้อย่างนั้นอีกต่อไปไม่ใช่ว่ามาให้แก้ววีอ๋ออที่เรียกว่าของเรานี่ให้พูดเสมอว่าของเราแต่ว่าเมื่อโดยทันทีสมมุติต้องเป็นเราเขียนมานี่ชื่อไปตรงกันทุกคนครับสมมุติว่าโอเคอเราเกิดมาอไม่กี่ปีนะ อ, ะอยู่ชื่อไปนาน แต่เรื่องไรเราไม่ควรยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งทั้งหลายแต่เรื่องไรเรามามัวเสียเวลาทำาหารินสร้างจักบวาลไปให้ใครครับไหนก็นั่นที่เชิงว่านี่สร้างก็อยากให้มันทุกตีกแต่ใหม่ทุกเท่ น, อนอั้นอยากสร้างอลยใหญ่ทุกก็ไม่ต้องสร้างเอาใครเออไม่ให้ใครทั้งนั้นนี่สร้างไหนใครคุณทุกคนสร้างให้ใครมีมรไหมไม่ต้องคิดว่าให้ใครสร้างเนี่่ท่านพูดตามความจริงเนี่สมมติเราคิดแบบนันนะเออ นั่นหรแไม่ใมน เ, เ, เกิามกนกเมื่อเราต้องอาจะของลับไปอะไรอนี้เผื่อเราค้ดแบบนั้นแล้วเราจะสราา้างสร้างอประเทศชาติจะเจอได้ไงครับเือเราเราียกว่าไม่ใช่ของเราเราสร้างไหมสร้างมาทำไมเมื่อไม่ีปเราก็ตายแล้ว น, นี่ใครสร้างนี่ใครเป็นคนสร้างนี่ใครเป็นคนสร้างนี่เนี่ยคนสร้างได้อะไรไม่ที่นีรพองค์ท่านไสอนอย่างนั้นนะ ท่านไม่สอนเนีเป็นคนเลี้แก่ตัวอย่างนั้นแกวใบนี้มีตะตงก็ือได้หลายเถเพือ่อนมาใจคนใดใบใ บ, บ น, นีใบนะก็ได้ไม่ใช่ไม่ให้มีไม่ใช่าหาา ไ, ไมมีมากก็ได้แต่เรายาให้มันเป็นทุกให้รู้จักทุกแก้วทุกใบทุกใบ่นั้นะครับั้นผมเข้าใจเราสร้างได้พยายามสร้างหมายถึงว่าต้องกระจยายสีเาสร้าง ได้อะไรสิ่งที่ให้ถูกทางไวนะ้เลยครับได้ได้คือเรื่องถูกทางไม่ถูกทางนั้นนะ <c oughs> ถึงแม้คุณจะเอาเงินทองของคุณมาทุ่มเทสร้างขึ้นก็ถูกทางของคุณนะะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อบ้านมันจะพังเมื่อไรนั้นน่ะมันก็นยังเป็นของคุณนะ <c oughs> มันจะทุกข์อีกมันจะลำบากอีกถ้าไฟมาไหมห้กครลหมักให้รู้ไว้อย่างนี้ถ้าเราจะสร้างก็ได้อืมอืม ถ้าเราจะสร้างก็ได้ถึงถึงถึงเจอคุณมาให้เป็นของคุณกว่าิงเซวะผลสุสุดอะมันก็ไม่เปลนอยู่แล้วท่านบอกไปก่อนใช่ไหมมันไม่ใช่ของคุณถ้าหากว่าไว้แล้วม่เป็นของคุณอย่างแน่นอนคุณจะยิ่งจะเป็นบ้าลงไปกวนี้อีกขนาดท่านว่นนี้ไม่ใจของคุณนะระวังนะมันเป็นสมบัติอย่างนี้ขนาดนี้เลยยังจะกลายจะไป็นหกใหญมากไม่ใช่แใจขนานยังเลาะกันอีกยังป้นกันอีกนะยังเลาะกันอีกนะของไม่ใช่ของใครสักคนกั น, นีลยเท่านั้นน่ะให้มันเบา ทุกลงไปเท่านั้นอืมให้ดูจักรละวางในทางพิเศาสนาเป็นอย่างนั้นมันเป็นถูกความท่านนะท่านทำไมบังคับให้ท่านสร้างนะทรานพุทธเจ้าใครบังคับไห้เราสร้างตรงนี้บ้านเรานี่ะแต่ความอยากเสี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้เองในความอยากนี่ครับที่ผมสงสัยว่ามันเป็นความดีและความเหลวกับที่เรามีความอยากกันอย่างนี้มันเป็นความถ้าเรามีปัญญานั่นมันความอยากกันมันก็ดีแต่เราโง่เนี่ยมีความอยากกัมันก็ไม่ดี คนรวยมันดีหรือเปล่าก็คนจนอะเร็ดีกว่ากันเนาะจะถามคุณยังงี้อ่ะตั้งคำถามว่าไงครับคนรวยกคนจนใครดีกว่ากันมันว่ต้องถามว่าแบบไหนแแบบไหนแตแบบมันดีนดอกดีถึงที่สุดมันน่ะล่ะเอาดีอะไรก็เอาครับคนดีแล้วคนรวยดีว่กันนะฮะคนจนคนรวยคนจนก็คนรวยผมว่ากดีต้องต้อง ต้องอไปคนรวยเคยมีทุกข์ไหมไม่ต้องต้องไปมทุกข์แน่นั่ น, นแหละมันก็เสมือกันอย่างนั้นไหนไหนแต่ผมว่ า, าไอ้คดีการนี่มันไม่มีใครดีอะไรโลกใช่นี่มันเสมือกันอย่างนั้ น, นดิพุทพูดถึงที่สุดมันถ้าไปดูบ้านถ้าถ้าคุณมีบ้านดังใหญ่กว่าวาบ้านนะคุณแหละดีใหญ่กว่าเขาตังแต่มันพังน้อกว่าพังใหญ่นะแค่น้าท่วมก็ท่วมหลังใหญ่นะมั<ห>นเป็นอย่างนี้มันเป็นบริกรรมอย่างนั้น ให้เราเข้าใจอย่างนั้นอืเรื่องแบบนี้ผมผมไม่ได้จะเผมมาจ่ายหรอกทีนี้ทีนี่ทีนี้ในในเวลานี้ยังไม่เข้าใจให้ได้ยินไว้ครับคุณก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ให้ได้ยินไว้เถอะแต่ว่าที่พูดได้ฟังอย่าเชื่ออยาไม่เชื่อให้ฟังไปฟังเอฟังไม่เฉยฟังไว้รู้ถึงเหตุการณ์ทองมันผิดเป็นไปยังไงคุณสํานึกอยู่เสมอว่า ด้วยมันเป็นยังไงสังเกตดีด้วยดีด้วยดีดไปนะมันเป็นแค่แค่้หนเราจะเห็นว่าจริงคือแม้มันขามันมากมันจะวิ่งเร็วนะไก่มันสองขามันวิ่งช้าครับน่าจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่จากตัวตัวมันวิ่งแข่งกันในจริงคือสู้ไหวไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เออหรือขามันมากมันเกะกะเฉยเฉยตัวมีเน้ะ จิตไอคิดทบทวนไปมาเป็นต้องไปภาวนาให้เห็นทางจิตก่อนอันนี้อันนี้ไอคุณจะเสริมประมามันเป็นทางนอกอันนึงนะทางในอันนี้พูดเสริมเหมอกันนีนนนมน่มันฟังยากกันนะครับในในในที่ว่าอย่างนี้อาจารมาจะบอกง่ายง่ายว่าถ้าความสงสัยอย่างนี้มีอยู่นะถ้าคุณจะไปเที่าายวถามให้ความสงสัยนั้นตายก็ไม่หายคุณจำใหม่บท ห, หนึ่งนะนะ ถ้าหากว่าคุณจะหายสงสัยเนี่ยคุณจะนั่งสมาธิวิจิตสงบหรืออะไรนึงเนี่ยมารู้เป็นมาเองนั่นแหละแล้วหลวงพ่อจะแนะนำวิธีนั่งสมาธิได้ได้ได้ไครับสมาธินี่นะสมาธินี่เป็นเรื่องของทำทำยากได้นหน่อยนึงก็เพราะว่ามันมันมันเป็นของที่ไม่เคยหยุดมาตั้งแต่เราเล็กมา จิตใจของเราเนี่ยจิตใจเรายิ่งไม่มีกําลังยิ่งมีความรู้มากคิดมากยิ่งมีกําลังถ้ากายมันมีกําลังต้องวิ่งออกกําลังกายมีกําลังจิตต้องให้หยุดพักนิ่งเป็นอันเดียวซะก่อนจิตมีกําลังเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาทําจิตนี้ให้มันหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวนี่สักชั่วโมงหนึ่งหรือห้านาทีสามนาทีก็ยังดีนะ จะรู้สึกว่าจิตนี้มันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทีนี้มันจะลําบากที่เรามานั่งนั่งสมาธิเงียบๆเป็นนั่งดูได้ไหมจับตาลงสายนิดหนึ่งนั่งให้ทําความปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้นึกคิดอะไรมากปล่อยเวลานี่ปล่อยให้มันมีความรู้สึกรมมันออกจะกระโมมันเข่ารมมันออกให้รู้ตามลมเข่านี้ไม่ต้องไปทําอะไรมาก มันจะรู้อะไรมันจะนี่มันอย่าคิดวุ่นวายเลยแล้วสมมติตอนที่นั่งนเนี่ยงที่ไอ้ไอ้ไอเรื่องเลยมันเข้าในกิ่เรื่องอะไรไอ้เรื่องที่ผ่านมาแล้่เรื่องอะไรแบบนี้ในชีวิตหออเรื่องที่เราไปเจออะไรคนนั้นนั่นละมันนั่นละนั่นเรื่องทรมานมันนั่นพูดทีมันรวบตรงไหนก็พตรงนั้นิแต่มันไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไ ตอที่เรานั่งสมมตินั่งนะอไอไอกินอย่างอื่นมันเข้ามาจิตอะไรออไอไอเรื่องอื่นเข้ามานี่มั น, นผมคิดว่ามันเป็น เ, นเรื่องธรรมาชาตินะที่มันไอไอที่จะเราจะตัดโดยใจรับตัดให้มันใไแบ่ใจ ไ, ไ, ไม่ใช่เอาเดียวนี้นะนา น, นานนะนี่อีกในชีวิตดึงได้ก็ยังดีนะ น, นี่พูดนี่นะไม่ใช่มันง่ายขนาดนั่นนะตรงไหนรู้มันเรื่องอะไรก็ผมว่านะครับอ่อกมันไอที่นั่งโดยไม่ให้มีอะไรจิตเข้ามาให้ว่างทีเดียวผมว่ามันใช่ เข้าใจหลวงพ่อเข้าใจอย่างงั้นะเช่นว่าคุณนั่งเสียงดนตรีเขาเล่นเนี่ยคุณต้องการความสงบใช่ไหมคุณ<ล>ยังไงเ <ผม S 1> นอะเออได้ยินนะได้ยินนอะคุณจะนึกว่าอย่างไรคิดว่าเสียงมาขวนเราน่นเนะผมผมไม่รนึ ก, นกยังไงจะสบายไมจะสงบสงบไมผมว่าผสงบเสียงก็เสียงม่บอฮะได้ยังงจริงนอันนี้เป็นคำพูดเฉยๆนี่ไมบ่บางทีไรกนจริงแต่บางที ถ, ถ้าเผิ อ, อยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ถูกอารมณ์นี้ามันก็รบกวนเหมือนกันครับนนน่มันรกวน นี่บรบกวนไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นบรบกวนเราเราไปบ ร, รไปบกวนเขานั่นเข้าใจไหมเงินน่ะเออนี่ยคุณต้องเข้าใจใหม่คนจะพูดตรงต้ อ, ต อ, อยู่คุณจะามาไหมนั่งสมาธิไม่ได้คนมาบรบกวนเสียงมาบรบกวนอย่างนี้พอคิดได้แต่มันไม่ถูกถ้าถูกแล้วเราเราไปบรบกวนเขาเขาไม่บรบกวนเราถ้าคิดทางนี้คิดก็ถูกง่ายห yes, yes. ลวงพ่อยอมรับเปล่าว่ า, วาตอนหลวงพ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อมี ไอเสียงอยางอื่นเ้ามาละคนมัน้งนมีใช่ครับมีผมขอถามได้นะครับ <laughs> มีมี <association> แล้วหลวงพอทอะไรครับเวลา แ, แต่รู้มันอันนี้ม่เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอารมณ์เฉืยเธอไม่มีอะไรกับมันไม่มีความวุ่นวายกับมันแล้วเห็นไก่มันผ่านเป็นไก่มันผ่านเห็นชุนักมันผ่านชุนักมันผ่านมาแล้วอะไรมันผ่านก็ผ่านไปอนี้เคตกลงอยูเฉือยแต่นั้นพอรู้เรื่องของมันแล้วอย่างนี้คิดต้อก่อนสงบ หลวงพ่อเไบอกวิธีนั่งนะครับนี่นั่งอย่าเดียวนี่นั่งสมาธิน่งสมาิเอาขาขวาจับใต้ใต้มือขวาทักมือซ้ายนี่นี่นนี่ดท่านะเออดั่งใ้ตรงมือขวาทักมือซ้ายเออตรงนะนั่นฟันจีบคูบนั่นนะะอยจับใต้จับต้นะแล้วก็เราจะนึกว่าเวลานี้เราจะปล่อยวางทั้งหมดให้เหลือแต่จีบเีเดียว เรื่องการงานงทุกถึงเ<ห>รื่องรอยแล้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ใช่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ต้องนั่งแก้ปัญหากับใครแล้วลว่าเราจะปล่อยวาง อ, อ, ล อ, อแล้วกําังลดให้ความรู้สึกกับลมอารมณ์เป็นเป็นหลักฐานลมออกคือว่าหายใจให้มันสบายออหายใจมันสบายนะอย่าไปบงังเข้าไปมันยาวนะอย่าไปวังเข้าไปมันสั้ น, นะไ ป, าไปาตามสบา ย, บายพวกมันนะ ที่อาจจะมีอะไรมาผ่านกว่าช่างมันเรปล่อยวางนั่งอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไหมอย่าคิดคิดก็ไม่ส่งเสริมมันชั่งไปอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันมันจะเห็นเลยอย่าไปคิดไม่เอาเท่นั้นนะเราไม่ต้องการอะไรนะต้องการดูร่มเข้าออกนะฮะจนกว่าจะเรามีความสงบไปดีื่อยๆแล้วท่านต้องหับตาบอกคำดับการนี่เหือนเด็กจะไปดับเป็นมนุษย์ ไม่ต้องเพลงอะไรยังไงครับไม่ต้องเพลงอะไรดูนี่นี่นดูรถเข้าออกนี่เนะี่ยเอาเช็ ด, ดีูนี่เนี่ยไม่ต้องดูอะไรนหเอากังนะเอาตามกลังนะ เ, งงนะเป็นมา น, น, นานไมไไนบะ่ดนะ้แลนั่งวะเียรออถ้ามีโอกาสทายก็เอาเถอะบางคนก็เป็นไปนั่งทงวันมนกไม่ได้ทงานอย่ ใช่แค่วุฒิประโยชน์สิให้คนมีประโยชน์มากๆยิ่งเสียแล้วหนิง้่งมันเวลาเราจะดนอนเดิยไงเนี่ยซื้อเวลาเราพักผ่อนวันหยุดอย่างนี้เราหาโรงไม้ดีเป็นนั่งเดี๋ยวหลับเลยนะหลับตัวคนมันหมดแล้วนะคนจีเกียดเนี่มันดับเนี่ยเราเคยเขียนหนังสือเราเคยดับไหมมันก็ยังเดียวกันนั่นแหละเราเคยเขียนหนังสือทําบัญชีอะไรมันดับไหมเนี่ มันจะหลับยังไงมันเขียนอยู่จ่องมันหลับมันก็พังเท่านั้นจิตนีก็เปนกนี่ยมันแยกออกจากลมเท่านั้นคี้ไม่ได้ทำนะสงสัยอาจะมายิ่งจะสงสัยมากกวนี้าไม่ได้ทนะทีนี้ต่อไปนีเมื่อเมื่อโยจจิตสงบเนี้ยไม่ต้องนั่งมากต่อไปนั่งทีละห้านาทีนั่งไปที่มันจะเก็บวกแอยู่แล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อคุณออกจากสมาธิ จะไปทำงานอะไรที่ไหนจะทำอะไ ร, ระต่ามจะยืนเดินนัง่งนอนให้มีสติอยู่ว่าทำอะไรอยู่อย่างนี้คิดอะไรอยู่อย่นี้ทอะไรอยู่ยนคิดอะไรอยู่นะอย่างนี้นะเอออันนี้มันเป็นที่เรียกว่าให้กำลังเราที่ไม่ไม่มีเวลานั่งนานเราจะทำงานอันนี้ว่ายืนเ้าก็ต้องทำงานนั่งก็ต้องทำงานนอนก็ต้องทำงานให้มันมีสติอย่างนี้อยู่เสมอเท่าที่เราทำได้ ลองดูไอจิตสงบลองล อ, องทีลองลองมันจะเป็นยังไงไหมให้มันเกิดขึ้นในนั้นนะในที่มันยังไม่รู้นั่นแหละเออไอตัวที่มันไม่รู้นั่นนะอย่าไปถามคนอื่นโดยให้มันรู้ขึ้นมานะมันจะบอกตัวมันเองตรงนั้นเพราะง้เราลองทำดูครับแน่ก็ผมคิดว่าแต่เผาไม่ทำแบบของพวกเนเดียนยไม่ใช่ไอไอไอ transcendental meditation สองอเรียเหรออือใช่ไหมดังนั้นก็ก็แบบให้พูดถึงคำคำโดยทีค่คำํำคำนี้ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทําให้จิตว่างไปโดยที่พูดถึงคําที่ไม่มีความหมายอือ ม, มันก็คล้ายๆกันเองนะอืออือกับของของพวกเราอันนั้นเรารเราเรารู่ด่าไม่รู่ถึงแง่ของมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงที่สุดเรายังไม่รู้เรื่องของความเป็นจริงของว่าง แค่ว่แก้วนี่ไม่มีครับต้องมองเห็นแก้วทีของว่างถ้าไม่มีวัตถุมันจะมีว่างเลยว่างมันเกิดจากของพี่มีอยู่แต่ท่านพูดว่ามันเป็นของว่างอ่า <laughs> มีแก้วเียเป็นวัตถุท่านบอกว่ามันว่างตั่งจิตเองมันว่าง ตั้มจิตให้ว่างจิตะเอาอะไรไปใช้ทำให้มันว่างมันว่างกันหมดแแล้วนี่มันตกโยนมุมมันคําที่มาว่างมันว่างในของสิ่งนีอยู่ก็ในของนี้มีอยู่ยังไงนี่อันนี้อันนี้มันเป็นของสมมุติท่มนผู้สูงว่าสิงว่างในสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วสิ่งที่นั่นอยู่มามาผ่านเรามกระทบกระทบเราทั้งวันให้ว่างจากสิ่งนั้นให้ว่างจริงจรแต่อันนั้นมันมีอยู่นะ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 ไปสมมุติมาจากอะไรเนี่ยสมตยมติ่าจากสิ่งที่มันไม่มีมาให้มันมีนี่นี่มันเป็นของสมมตินนไอ้ความเป็นจริงแก้วมันก็ไม่ใช่ไม่มันไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเป็นธรรมธาตุขึ้นมาเฉยๆแ่านั้นแล้วก็ไปตั้งชื่อมันแล้วก็ไปยึดชื่อมันติดชื่อมันเออใครว่าแก้วก็ยึดแบบแก้วไอ้คนนี่นึกว่าถ้วยกว่าท้วยไอ้คนไปพกแก้วก็ถ้วยเนี่ยพูดคนในย่างก็ทะเลาะกันเลยนะเนี่ย <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันสมมติมันถึงต่างกันแต่ความจะภาพของมันมันไม่มีอะไรเป็นนั้นเราไปสมมติให้มันเป็นแก้วเป็นกระโถนเป็นถ้วยขึ้นมาตามธรรมชาติมันนั่นไม่มีอะไรมันมีเมื่อเราสมมุติขึ้นมานี้อย่างตัวเราทุกคนมีชื่อมา่อแงวันเกิดหรือเปล่านะเห็นไหมพอเกิดมาพุกพ้อเมียแต่ในคอในขอนี่มันมีขึ้นเดี๋ยวนี้มีมีประโยชน์ไหมชื่อนี่มีประโยชน์ไหมสมมติมีที่ให้คนรู้จักว่าชื่อนั้นชื่อนั้นถ้าเรียกว่าคนคนดูการสมมติคนจังร้อยคนฟันคนเรียกว่าคนคนใครจะมาล่ะ ก็มาทั้พันคนร้อยคนจะเป็นประโยชน์อะไรละ่ะที่จะเรียกนายก่นกอนนายก่อนมีประโยชน์แค่นี้สมมติไม่ใช่ว่ามีเรืออยู่์ที่นี่มีมุดมันก็มันก็พ้นจากนี่ไปขึบบ้นมามันไม่มีอะไรตรง น, นี้ที่มีเรียวนี้ก็าเรียกว่าสมมุติของเรานี่ก็มันของคุณเอาแค่ไปซื้อมาเดียวนี้ถ้ามาหาพระไม่ใช่ของคุณตรงนี้คุณก็จะเดียงไม่ใช่ของผมซื้อมาเดียวนี้ชื่อกจริงซื้อมากว่าไม่ใช่อ่าอย่างนี้มันว่างอย่างนี้ ลงการนัมานีผลประโยชน์นี่ท่านยังไม่อธิบายผมว่าท่านเอยากอธิบายอาจมาเห็นมามันมันไม่ค่อยยากอะไรนะไอ้ผลมันเกิดมาจากเหตุันถถ้าเราทแล้วผลมันจะเกิดคนดไม่ไม่อยากจะรู้รู้นเช่นผลไมผลนี้เนาะจะทำให้เขาเข้าใจอย่างเดียวก็ให้เข้าใจนะอามาไม่เคยามนอนะ ไม่รู้ว่าผลอะไรนะก็ไม่ทานแม่อร่อยดีนะมันหวานมันหอมรู้จักหมดแต่อัตมาก็ชื่อผลอะไรเนี่ยอัตมาก็ไม่สำคัญมากไม่ต้องถามหานั่นเลยรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ถ้าถ้ามีคนขอบคุณก็มาบอกว่าผลี่ชื่อนั่นก็รับฟังนะถ้าไม่มีใครบอกก็ช่างมันแอตมาในชั้นผลไม่สนิท น, นี่ก็แล้วนะตอนั้นนี่ยถ้าเขาอันนี้ผลอันนั้นมันมเพิ่มความหวานติดอ่นะเห็นไะห มันไม่เพิ่มความมาเรศลอยขึ้นอีกหรอกนี่เข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ควรู้กัรู้เป็นคนรู้คนเกิดคือเยอะเกินฉะนี้จิตต้องคุนเยียบเยน็นคุณจะมีสตสิปัญหาได้เกิดขึ้นมาพวกเป็นตัวคุณจนะพยายามตัดออกได้หมาหเป็นทุกอย่างแต่ไมรู้เต่ารูว่รูจัว่าอะไรแต่ละอย่างนั่นนะมันจะเป็นอย่างนั้น อ, อจะจะจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ค่คอยๆทันเหตุไปอย่าเร็วนะนี่น่ากลัวจะร้อนเกินไป อย่าให้ร้อนนะร้อนไม่พบนะความหนึ่งร้อนใหญ่นะผมพยายามนั่งมาตั้งสามส่เดือนแล้วไอวางซะคือคืออย่าไปเอาอะไรเลยนั่งนั่งการทเพียงนั่งเพาการปล่อยวางนี่เท่าไหจะเอาอย่างนั้นเหไม่ครับผมไม่ได้กินอะไรครับเพื่อเพราะไอความเพ่อพั่อนเพสงบไหมล่ะกิจสงบก็สงบครับบางครั้งสงบางครั้งก็ไม่เรื่องไม่ันั่นแหละ มันก็แล้วแต่เรื่องในสังคมแต่ความคิดก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปไรื่อยๆต้อให้ปุ๋ยปุ๋คนให้อาหารปุ๋ยคนจุเปลี่ยนล่าตัวต่ไปเรๆเออแต่สุววดหกักสุ่นี่จะตัวพัฒนาตัวอื่นอ่ะอืมนี่กี่ยวพัฒนาตัวอื่นอ่ะดี แล้วมีคําถามคําถา ม, นามหนึ่งคือว่า mm. เรื่องการนั่งอกรรมฐานเนี่ยนะคะซึ่งหนูก็เคยทดลอง mm. และหนูได้ไปที่วัดก็มีท่านอาจารย์หลวงพ่อที่วัดนะคะได้ mm. สอนหนูกันว่าวิธีนั่งกรรมฐานเนี่ยให้เรานั่งแบบที่หลวงพ่อได้สอนเมื่อกี้นี้นะคะแล้วให้เช่องติดที่อลมหายใจเข้าออกแในระหว่างที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าจะเป็นการดีหรือว่า ส, สำคัญหรือไม่ที่เราจะใช้ทำพุธคือว่าหายใจเข้าพุธหายใจออกโทพุธโทตลอดเวลาหรือว่าเราจะเร้งจที่ซสายลมหายใจทํ้า ม, มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เราต้องทําผ่านไปด้วยมือจับที่เราบังคับพุธโคพุธโหมันทานํางานยากเราฝึกมาตั้งแตให้ว่าพุธโทพุธโหนไปแต่ก็นั่งพุธโทพุธโทที่เมื่อจิตเรามันละเอียดเนะี่ยพุดโทมันเป็นของอยากแล้ว ถ้ามาเมามังค์ว่าพุทโธมันอยากจะราคาญเกิดความสงสัยนี่นี่ไม่แล้วจะไม่ว่ามันไม่ได้ไหมน้ะไอ้พุทโธนี่คือตัวผูรู้นั่นเองนะไม่ต้องว่าพุทโธก็ได้แต่มันรู้ไหมว่าเข้าออกแต่มันนั้นความรู้นั่นเรียกว่าพุทโธไอ้ตัวพุทโธนี่คือคำพูดที่เรารู้มันลงเข้าออกยทุกขณะนั้นมันเป็นตัวพุทโธอย่างแท้จริงแต่เมื่อในระยะมันไปเปลี่ยนกันซะสงสัยท่านอาจารย์บอกให้ว่าพุทโธพุทโธ เราก็ไม่ว่าพุโทโธมันลงมันก็ออกอยู่มันจะเป็นตัวสงสัยกันอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องพูดว่าพุโทโธมันก็รู้อยู่แล้วอความรู้นั้นนเรียกว่าพุทโธความรู้สึกว่าพุโทโธนั้เรียกว่าพุโทโธอยู่แล้วมันเปลี่ยนทค่นี้เข้าใจเด่นก็พอเนี่ยเอามาวางตรงนี้เฉยๆไม่ต้องขับรถก็ไปตรงนี้ก็ได้แค่รู้ว่ามันออกคือมันเข้าอย่างนั้นนิ่งตรงนี้คนที่สุด มีเห็นจิตอยู่ที่นี่เห็นลมอยู่ที่นี่เห็นสติอยู่ที่นี่เห็นความรู้อยู่ในพร้อมกับความสงบจริงทั้งหลายเราที่สงบลงไปละกิจก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ทีนี่ออกจากนี่ไปเราจะก่อนนั่งสมาธินี่ควรจะพิจารณาตัณฑ์วิสัตถิสัจาไปเอาส่วนนี้หมดพิจารณากายกายังก้อนเป็นกาย จะพิจารณาของในกายนี่มีอะไรอีกบั่งไหมถูกครังอันนี้จะส่งเสริมว่ามันจะเห็นกายนะคนคนเรานั้นก็ป ม, มีอะไรมากมายนั่นเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรมากเท่าไรมันจะพิจารณามีปัญญาไปเองเมื่อมีปัญญาไปตัดทั้งหลายไอ้ความทุกข์ความยากความทรมารมาอย่างข้าวนันนี้กินกี่จานทําไมมันกังวลบางวันทะเลาะกัน พ่อบ้านแม่บ้านมันด้อยู่เป็นสูตรเดีวยวเท่ากันพราะอะไรมันจะได้คนคว้ามาอ่านดูมันจะรู้จักมันจะรู้จักปล่อยจังหวะจิตใจเราจะสนุกเห็นเนี่ยมันก็ปลอยเห็นเนี่ยผว่าเป็นจิตใจที่เยือกเย็นจิตใจที่ เ, น, เ น, นี่ยห น, น, านาเป็นกาลังที่จะเกิดปัญญาของเราสําหรับในเราเยือกเย็นในครอบครัวในชีวิตกันอยู่นะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือว่ามีท่านผู้ใหญ่คุณอายุก็คุณลาวเขาคุณย่าคุณยายนะ จะเล่าให้ฟังว่าท่านได้นั่งกรรมฐานและเป็นความจริงนะคะว่าเมื่อทุกคนที่ทุกคนที่มีจิตศรัทธาแน่นแล้วก็แน่นกรรมฐานเนี่ยเมื่อนั่งไปนานๆเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับนรกสวรรค์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เล้ฟังที่เป็นความจริงอันนี้มันเรื่องเบ็ดเสร็จอันนี้มันเรื่องคนกับบุคคลมันเรื่องที่นั่นนั่นแหละถ้เห็นสวรรค์จะกระโดดขึ้นไปไหนเลย <laughs> เห็นแสงสว่างที่เด่เมืองเลยแสงสว่างเยอะไปนะไม่ต้องไปนั่งกับตาไปดูแสงสว่างหรอกเดินไปตามเมืองจำนาแสงสว่างมันเยอะไปแล้วไม่ต้องอยากเห็นอันนั้นอยากจะเห็นความเสื่อมของความจิตดังนี้เมื่อถูกอารมณ์ไม่อยากเห็มันไปยึดมั่นถือมันในมันพวรจัดทุกข์กันนะอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นไปแบบมันเป็นมันเป็นเครื่องประดับของผู้มีปัญญาอืมมันเป็นของเดตุเตศกันนะไมนเป็นของมันไปยึดมั่นถือมันอะไรถ้าไม่ต้องการอันนั้น อันนั้นมของภายนอกมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะนั่นจุดประสงค์ของหว่คือว่าการนั่งกรรมฐานทีอต้องการทำจิตใจให้สงบใช่แต่ว่าการนั่งกรรมฐานของท่านผู้ใหญ่ที่เคยเล่ามาบกัว่าจะหมายอย่างไรเตั้งกรรมฐานแบบต้องการอยากจะรู้อยากนั่นแหละคนชอบเรียนมัลุคนชอบเรียนมัลุจะไปนั่งมันแํ่พานทำไมยังไงนั่งไปดูจารีไม่เนของเกดดูมั้ ไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นของปลอมมันไ้วยอม่า้อเพือนั่งให้ต้องการจะเห็นเห็นจริงเปล่าไม่รู้บางคนมันก็เห็นบางคนตัไม่เห็นไม่ใช่คนคเดียวมันคนหลายคนทำอ่าทำไมอ่าเออเออคนเไม่ต้องการที่เห็นอะไรออะเออจิตจาของมันจะอบสนั้นเนี่ยใช่ไอ้คนเราใช่ไหมนีไอ้ที่ใครบอกว่าเห็นน่นเห็นนี่เพรว่า อไอ้เหดแข็ง<ช>มากกว่าปล่อยตัวนวางเลยแสดงว่าเาก็ไม่ว่างคินแค่บทเยใช่ถกหท่านถ้าเห็นก็เห็นมีเหตุผลดีคนหนึ่เห็นเห็นเรื่องจนหลังนะเตมันมีเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไม่เห็นเดี๋ยวเห็นมุนนาน ม, ม, นมากหรือบ้าน เ, เนี่ย <laughs>